โดยที่สุดแม้แต่พระตถ า, าคตผู้เป็นศาสดาเช่นนั้นพาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามจากโกราสงสารเป็นบุคคลที่หาผู้ใดเปรียบเทียบมิได้โดยศีลเป็นผู้มีศีลหาผู้ใดเปรียบมิได้มีสมาธิมีปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัศนะมีคุณธรรมเหล่านั้นซึ่งหาผู้ใดเปรียบปรานมิได้ในโลก พระ อ, องค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้ละแต่งละทำที่ควรละทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งเจริญคุณธรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์พระ อ, องค์มีกําลังทั้งทศพลยามสิทประการน่ยนะถึงอย่างนั้นก็ยังดับขันธปรินิพานเพราะฉะนั้นรูปก็สลายแล้ววาจุติจิตก็เกิดขึ้นเนี่ยนะกรรมมชลูปทุกอย่างก็ดับหมด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 อันนะั้อุบัตสี่หรือว่าปฏิสนธิโดยคติห้าวิญญาณทิติหรือสัตว์ตาว่าดเหล่าใดที่จะพึงเกิดขึ้นพระองค์ได้ทําลายด้วยอรหัตตะมักของพระองค์เสร็จสิ้นแล้วพระองค์ก็ปรินิพานอันเท้าสามบดีพรมก็บอกว่าผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังปรินิพานเนี่ยนะก็เท่าก็บอกว่าแล้วคนที่เหลือล่ะเนี่ยนะใครที่เจริญมรณ า, านุสติก็คิดเลยบอกโอ้โผู้ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะยังปรินิพานเหมือนอย่างว่า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 สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอเนี่ยนะสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงหนอออปทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารทุกชนิดที่เกิดขึ้นมาในโลกแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปเป็นที่สดเมือ่อย่อมเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยนะขันทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเกิดก็เกิดเพราะปัจจัยทำให้เกิดเนี่ยนะ ปัจจัยที่ทําให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าสิ้นปัจจัยขันทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอันดับไปแต่ผู้ที่เข้าไปสงบดับสังขารเหล่านี้ได้อันนี้เป็นสุขนะเข้าไปสงบประงับดับสังขารเหล่านี้ได้เนี่ยเป็นสุขอันนี้เป็นชื่อของพระนิพพานในอัตถะฐานหน้า443ย่อหน้าสุดท้ายกล่าวว่าอุปทวยธรรมนิโน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 ลมอัศสะปัสสะของพระมุนีผู้มีพระอริอไยไต่ตั้งมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวปรารบสันติการทำกาละและไม่ได้มีแล้วแปลว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้ลมไม่เหลือแล้วเพอผะานุรรทาเนี่ยคอยกําหนดจิตพระพุทธเจ้าตลอดเลยนะตอนเนี้ยพระพุทธเจ้าอยู่ในระดับไหนคิดอะไรคิดว่าอย่างไรเนี่ยท่านเช็คความคิดพระพุทธเจ้าในที่สุดก็เลยบอกว่าถ้าลมอัศสะปัสสะเนี่ยนะลมนี่เป็นจิตตชรุบถ้าจิตดับ จิตตะชูปเหล่านี้ก็เป็นอันดับ น, นะจิตตะชูปเหล่านี้นี่ดับไปสิ้นแล้วพระองค์ผู้มีจิตใจตั้งมั่นใจของพระองค์นี่ไม่ได้แบบแม้ตายแบบคนกำลังฟุง้งซ่านคนกำลังทุกข์ระทมทนกำลังเครียดเดือดร้อนไม่สบายใจเป็นต้นบอกไม่ พระองค์เนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตั้งมั่นระดับปฐมฌานทุทาาตทิยฌานตัตยฌานและจตุฌานเป็นผู้คงที่ทั้งในอิทธารมและอ น, นิธารมไม่หวั่นไหวในลาบและความเสื่อมลาบปรารบอนุปาทิเสสนิพานสันติเคื อ, อนุปราทิเสสนิพานปรารบธรรมที่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะ แม้ลมหายใจตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนที่พระองค์ปรินิพานก็มีจิตใจไม่หดหู่หดหู่แปลว่าอะไรน้อยซึม น, นะหมดสภาพอะไรเป็นนี้ไม่พ ร, พระองค์เบิกบานเต็มที่เบิกบานด้วยศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาเบิกบานด้วยพุทธญานทั้งหลายขณะเดียวกันเนี่ยนะร่างกายจะเจ็บปวดพระองค์ก็อดกลั้นเวทนาเหล่านั้นได้ ความหลุดพ้นได้มีแล้วสําหรับพระองค์เหมือนประทีปดับไปฉะนั้นความหลุดพ้นเนี่ยคือพระองค์เนี่ยหลุดพ้นจากเมื่อพระองค์ปริณีพานไปแล้วเนี่ยนะยึดถือรูปมีรูปอีกต่อไปไหมยึดรูปเอาใหม่ไหมยึดเวทยึดถือเวทนาเพิ่มใหม่ไหมยึดถือสัญญายึดถือสังขารและยึดถือวิญญาณได้ไหมเมื่อยึดพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไปแล้วเนี่ยน ะ, ะจะบัญญัติพระองค์ว่าเป็นอะไรต่อไปเพราะ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 ความดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและพระองค์ก็พ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญหาณก็เหมือนกับดวงประทีบที่ดับไปโดยที่ปราศจากเชื้อปราศอันนันก็หมดไปอันนี้เป็นคําของพระอนุรทธาเนี่ยนะกล่าวถึงการปรินิพพานของพระองค์ฝ่ายท่านพรานนเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานก็กล่าวว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 เกิดความขนพองสยองกล้าแผ่นดินก็วันไหวว่างั้นน่ะแผ่นดินวันไหวด้วยอะไรด้วยโศกะก็เรียกว่าแผ่นดินอย่างสะอื้นนี่หมายถึงเทวดาที่ดูแลแผ่นดินก็เลยที่มาอะไรธรณีกันแสงอ่ะนะแปลว่าแผ่นดินยังร้องให้อ่ะนะถ้าสําหรับคนที่อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ธรณียังร้องให้เลยเราบอกว่าแผนเรียกว่าอารักเทวดาทั้งหลายเทวดาที่ประจําภาคพื้นเนี่ยเสียใจมากว่าผู้มีบุญอย่างนี้ปรินิพานเลยนะแต่ถ้าคนเลวปรินิพานเนี่ยแผ่นดินหัวเราะเลยนะ เบาใจไปทีนยงนัะนเพราะตอนอยู่ก็รองไม่ได้อยู่แล้วอย่างพระเทวทัพเนี่ยแผ่นดินบอกโอ้ยฉันรับไม่ได้แล้วเอ้าเนี่ยนะไปอยู่โน่นลึกไปกอดแผ่นดินเถอะอย่างนั้นแต่นี้สําหรับพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระองค์นั้นคือสําหรับบุคคลทั้งหลายแหละที่ยังมีราคะทุกคนนี่ยอะไรคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยไม่มีใครเสียใจอไม่มีใครดีใจเลยที่พระองค์ปรินิพานเสียใจเนี่ยก็เหมือนใช้คําว่า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 ลงกลิ้งเกลื่อกไปมาเหมือนคนเท้าขาดรำพันอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนักพระผู้เป็นพระจักสุในโลกหรือพระผู้มีจักษุในโลกอันตรธานเร็วยิ่งนักเร็วแท้เนี่ยนะีิบห้าปีจริงๆนะตลอดเรียกว่าสร้างบารมีมาสีอสงไขยแสนกับใช้ชีวิต ความเป็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ปรารถนามาเสียสงไข่แสนกับจะสี่สิบห้าปีถือว่าแม้น้อยจริงๆเลยนะน้อยจริ ง, รงมั่งกขาบอกว่ า, วาพระผู้มีจักสุอันตรธานไปจากโลกนี่เร็วนกักเร็วแท้ส่วนภิกษุที่มีราคะหมดแล้วดับดับราคะเสร็จแล้วคือพระอนาคามีและพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอดกรันอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะ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 ไม่เที่ยงเลยเนี่ยนะพระพิสุก็ร้องให้กันกระจองงงแงเลยแหละนะสำหรับองค์ที่ยังเป็นพระสกาาทาคามีและพระโสดาบันแล้วก็พระพิสุที่ยังเป็นปุตชชนทั้งหลายเนี่ยร้องให้กันระงมเลยหลังจากนั้นเนี่ยนะพระอนุรุทธะก็เตือนพระพิสุทั้งหลายว่าอย่าเลยผู้มีอายุทั้งหลาย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 เพราะฉะนั้นจะขอว่าขอของที่เรารักขอของที่ชอบใจอย่าได้พ ล, พลาดพาอย่าได้เป็นไปต่างๆนานาเลยขอจงคงเดิมเถอะการขอร้องอ้อนวอนแบบนี้จะหาไดจากที่ไหน น, นะเพราะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วมีแล้วถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความแตกทำลายเป็นธรรมดาการที่ไปปรารถนาว่า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 คนสะอื้นปลอบใจคนสะอื้นเนี่ยตามงานศพนะร้องให้ทั้งคู่นะแล้วมาปลอบใจอย่าร้องให้เลยนะอีกฝ่ายก็ร้องให้อยู่โมเลยอย่าร้องให้เลยนะเนี่ยนะอะไรเงก็อย่างนั้นแหละเทวดาก็เลยเพ่งโทษเนี่ยถ้าท่านโมแต่ร้องให้นะนะถ้าพระเทพไปร้องให้ไปเนี่ยมันจะทำยังไงนะเออเนี่ยถ้าเทพไปร้องให้ไปยโยมอย่าเสียใจยแล้วก็สะอึกสะอื้นนั่นแหละนะเม้ยนะ อ, อะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านโมแต่ร้องให้กันอย่างนี้และจะไปปลอบอกปลอบใจมหาชนกันอย่างไร นี่พระนนท์ก็ถามพระนุรุ ธ, ธะตอนนี้เทวดาเขาทำไม่ในใจอย่างไรพระนนท์ถามว่าเทวดาเขาคิดอะไรกันอยู่พระนุรุ ธ, ธะก็ตอบว่าอนน์มีเทวดาบางพวกสำคัญอากาศว่าเป็น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 ส่วนเทวดาที่ปราศจากราคะแล้วคือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะพระอนาคา ม, มีทั้งหลายเทวดาที่เป็นพระอนาคา ม, มีและแต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นพิจารณาอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอข้อนั้นจะได้ในสังขารจากที่ไหนไอ้ข้อที่เราจะเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นน่ะ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 ประกาศถึงชาติชาาและมรณะประกาศถึงว่าปฏิบัติเช่นใดจึงจะได้พ้นจากชาราและมรณะเนี่ยนะปฏิบัติอย่างไรจะได้อบอุ่นใ จ, จเจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาสว่างขึ้นมาท่านท่านอรุ ธ, ธาก็สั่งท่านท่านนว่าไปเถิดอนนนจงเข้าไปยังกรุงกุสิอรุไปเข้าไปยังเมืองกุสินาราบอกแกพวกมลกษัตร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 สำหรับตอนเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้